กายนั่งภาวนานนง่ายพึ้นาใจนั่งภาวนานนมันมันจับไม่ค่อยอยู่กายในทางเรานั่งแลมันก็อยะใจ น, น, นั่งแล้วมันก็บรอยย่เหมือนปลาไหลก็ปลาไหลปลาเย็ยนตกลงตมแล้วก็ไปเรื่อยจับบนไอจิต ค, คนเรามันเคยมันเคยท่องเที่ยวมาใน โลกในวัฏฏะสงสารมันโยกับกิเลสราคะโภสะโมหะมาตั้งแต่อนเนกชาติมานับพบนับชาติไม่ท้วนที่มันเคยอยู่อาศัยกับกิเลสในเนมันกันเลยเข้าใจว่าเป็นความสุขสะดวกสบายแต่จิตอันนั้นมันมองไม่เห็น ความทุกข์มันแฝงอยู่ในที่ตัวว่ามีความสุขนอนหลับเวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงโลว่าเออันนี้มันก็ไม่ใช่สุขดูมันยังมีทุกข์อยู่นีจึงลูลภายหลังก็ว่าจิตใจมันเคยอยู่ที่ไหนอาศัยอย่างไรเป็นมาอย่างไรมันก็ติดอยู่คล้องอยู่ตามที่เคยมา เคยเป็นให้รันทามาเปลี่ยนเป็นการนั่งสมาธิภาวานา ม, มันก็เป็นการยากเคอไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติมา ก, ก่อนถ้าเราฝึกเข้าบ่อยๆมันจนเคยชินมันก็ไม่มีอะไรยากยุ่งยากเท่าใดนัก มันยากเพราะกิเลสมันพาไปกิเลสมันพาไปนั้นมันถึงสะดวกแต่ว่ามันเกิดไปทุกในเวลาต่อไปพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนวิธีตวนกระแสจิตโดูตัวอย่างผู้จะมาประพฤติปฏิบัติในเพศสมณะ นักบวชเมื่อตกลงตรงใจว่าจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวนางชีท่านก็สั่งว่าให้โกนผมโกนผมแล้วก็โกนคิ้วด้วยมีหนวดก็โกนหนวดมีเข่าก็โกนเขา่า แล้วก็นุ่งผ้ากาสาวพัดเหมือนอย่างนั้นนุ่งผ้าเกียนจากผ้าคารวาสญยาิโยมแล้วจึงขอบรระชาอุปสมบทต่อไปแต่ผู้ที่ไม่เคยบวชไม่เคยอยู่วัดนองก็ไม่สบายใจ ตอนมาบวชใหม่ๆไม่ว่าใครเลยคือว่าแดบพรารวะญาติโยมจะไปทางไหนมาทางไหนตื่นนอนขึ้นมากับไปได้เลยแต่เป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวนางชีจะไปอย่างนั้นไม่ได้จะต้องนุ่งผ้ากาสาวพัดแสดงเป็นนักบวช พร้อมแล้วจึงค่อยไปไปก็จะไปทำแบบโจนก็ไม่ได้นี่เขาเล่าเรื่องไว้ในสมัยนี้นะพระส่วนมากก็เรียกว่าเป็นพระฝ่ายเนฆกาย บวชมาแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาทำกรรมฐานก็เลยเอาเพศนักบวชนี่มาอยู่ในวัดเวลากลางคืนมาก็าแต่งตัวเป็นตำรวจก็มีเป็นขงโงยก็มี ไปลักเล็กลน้อยก็มีรักใหญ่ก็มีโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รถยนต์เล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยมันไปปล้นเอารักเอาแล้วก็มีที่ไปขายมีคนรับซื้อไปขายให้คนที่เขารับซื้อพวกนั้นก็เอาไปดัดแปลง เจ้าของตามไม่ทันมันไวโจรผู้ร้ายสมัยนี้มันไวไฟกาไม่ไวไฟเหมือนไฟไหม้มันปั๊บเลยทียไปก็แก้ไขถอดนั่นถอดนี่มันออกจากกันแล้วมันก็เอาไปขายล่ะสมัยนี้มันมีไปขายให้ประเทศลาวก็มีให้พมา่าก็มี เขตแดนติดต่อกันเนะี่ยตามเอาไปขายเขารับชื่อต่างนั้นละมันเป็นของใช้มันไม่ใช่ว่าของไทยของลาวของนี่ยมันของกลางในโจรโพลายแบบนี้ก็มีพอไปลักไปขโมยไปขายของเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาวัดมานุ่งเหลืองใหม่ด้วยนั้นมันเอาอย่างนี้ก็มี เพราว่ามันเคยมันเคยมาอย่างนั้นแล้วแต่พบก่อนหนหลังมาพบนน่ธาติเน่มันก็ไม่ไม่ไม่สอนตัวเองมันเอาตามตามกิเลสก็เกิดเดือดร้อนภายหลังเมื่อเขาจาได้ไล่ทันเอาแล้ววันนี้หมดทางเป็นทุกข์เป็นร้อนแค่นั้นอย่าไปตามกิเลส ลาคะอย่าไปตามกิเลสโทสะอย่าไปตามกิเลสโมหะถ้าใครตามไปแล้วมันต้องเดือดร้อนเพราะกิเลสนี้ใครตามมันไปเวลามันทำผิดสงขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนจะเป็นกิเลสภายในก็ตามเป็นกิเลสภายนอกก็ตาม เมื่อทําไปโพดไปคิดไปตามอำนาจกิเลสมันก็หลอกลวงเรื่อยไปผลที่สุดมันก็ให้ความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ต้องเอาอีกแล้วนั่นนั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจ สบายดีกว่าไม่ต้องปล่อยให้วุ่นวายไปที่อารมณ์กิเลสอารมณ์กิเลสนั้นมันพาให้ทุกข์เมื่อภายหลังพระพุทธองค์ท่านจึงตัดว่าบาปทำตามกิเลสมันบาปบาปนั้นมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังคือไปไปนานเขามันเอาเดือดร้อนห้ เมื่อถึงขั้นมันเดือดร้อนเราก็แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ได้รับผลผลมันติดตามมาเก้อไม่มองเห็นว่าการปฏิบัติบูชาเดินจมกลมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีมันเป็นการฝึกจิตอันนั้นไม่ให้ไปตามอำนาจ กิเลสความโกรธโลภหลงกิเลสความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นใครทำตามไปมันจะเดือดร้อนบางอย่างบางประการมันไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตัวคนเดียวมันเดือดร้อนถึงประเทศชาติบ้านเมืองก็ได้ เมื่อมันผิดพลาดไปแล้วก็เดือดร้อนเพื่อนมนุษย์ก็พอยได้รับเดือดร้อนไปตัวตามกันฉะนั้นใครจะว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปเชื่อง่ายๆเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ว่าอะไรและสิ่งใดที่มันเป็นบาปอย่าพากาันทํา อย่าพากันพูดอย่าพากันคิดในจิตก็คิดภาวนาพุทโธทอยู่ภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีกว่าที่จะทำไปตามอำนาจกิเลสมันจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่สัตว์โลกทั้งหลายมันก็ไม่ฟัง มันก็ว่าทำไปเถิดบาปก็ไม่เป็นไรใครไม่เห็นก็ไม่เป็นบาปหรือนักขับรถขับลาเมื่อไปถึงทางแยกทางนั่นเมื่อไม่มีตำรวจก็พาฝืนกดจราจรวิ่งผ่านสี่แยกวิ่งผ่านสามแยกไม่ต้องระวังระวังพรเดี๋ยวก็ไปโดนลนะ่ะ เพราะว่ารถลาสมัยนี้มันมากเราจะคิดเห็นว่ามันไม่มีมีแต่เราคนเดียววิ่งมาได้ก็โดนเขาเมื่อมันโดนเขาแล้วก็แก้ไม่ได้ละ่ะตายลูกเดียวคนเราที่คิดว่ามันไม่เป็นไรทำไปก็ได้พูดไปก็ได้ด่าไปก็ได้ แต่เวลาบาปกรรมนั้นถ้าถึงเข้าแล้วก็เดือดร้อนนะนั้นภาวนาพุทโธเอาใจอยู่ในพระกรรมฐานเกษาผมโลมาขนนักาเลบทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนฮาฮรูเอ็นอาการสามสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราทุกคนนั่นแหละ ยกขึ้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้ให้เห็นว่ามันเป็นถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมธรรมดาเหมือนถาดดินน้งไฟลมก็ได้ฝึกสอนจิตใจอันนี้มันโยในกรรมฐาน ถ้ามันออกจากกรรมฐานนี่ไปไม่อยู่ในจุดกรรมฐานาแล้วเอาละมันจะต้องเกิดเรื่องราวไม่สงบขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านให้พิจรารณาก้อนกรรมฐานได้แก่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งหัวดำขอเกี่ยว หนังห่มโย่เป็นที่สุดลอกนี่เป็นก้อนกรรมฐานถ้าใครไม่พิจารณาลงโซลักอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอธีนาวโทษไม่เห็นทุกเห็นโทษอันมันเกิดขึ้นในกรรมฐานนี้เพราะไม่พิจารณาก็เดือดร้อนวนวายกิจไม่สงบ ส่วนมนากผู้ฝึกหัดภาวนากับนว่าจิตมันไม่สงบมันจะสงบได้อย่างไรคือความประพฤติการกระทำของบุคคลนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบมันเป็นไปเพื่อความพุ่งซ้ารลำคาญเป็นไปเพื่อตันหาความดิ้นรนวุ่นวาย ในกาะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเมื่อมันเป็นไปตามอำนาจตัณหาแล้วมันก็นำทุกข์ขึ้นมาให้ที่พระองค์ทรงตรัสว่าบาปอย่าพากันทำคำว่าทมเราจะไปเพ่งมองเห็นว่าเราเอาร่างกายทำ คำพูดที่เราพูดอยู่ทุกวันเวลานี่ได้ขาดมันมันก็ทำอย่างนึ่งเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมวจีคือคาพูดคำพูดทุกคำที่คนเราพูดมันก็เป็นเป็นกรรมอันหนึ่งคิดในจิตในใจว่าไม่มีตัวตนก็าตามแต่มันก็มีกรรมอยู่นั่นแหละ เมื่อมันคิดชั่วอยู่ในจิตในใจไม่หยุดหย่อนผลที่สุดสติปัญญาของเรามันน้อยไม่ทั่วถึงมันก็ไปสำคัญผิดว่าเป็นความสุขสบายตามอำนาจกิเลสนั้นก็ทำไปท้งพูดไปทำไปผลที่สุดมันก็ให้ผลเป็นทุกข์แน่นั้นโซ่สงบกายสงบวาจาสงบจิต ไม่ได้ผู้ใดสงบได้ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรถ้าผู้ไม่สงบแล้วมันก็มีแต่เรื่องราวที่จะทําความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลผู้อื่นนั่นนั่งภาวนาเดินจงกลมปฏิบัติบูชาอยู่ดีกว่าที่จะให้ความวุ่นวายภายนอกเข้ามาทับถม จ, จิตใจ จนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่เป็นบาปก็กลายเป็นบุญไปสิ่งที่มันล่อแหลมจะให้เกิดทุกข์คอยอยู่ก็นไ้ไม่เห็นทีนี้นเมื่อคิดพูดทำไปแล้วกรรมมันย้อนมาล่ะกรร ม, มการกระทำที่ตัวเองทำ ม, มันย้อนมา พราะมันไม่มีทางไปอื่นมันวนไหลอยู่ในเรื่องราวที่คนเราทำนั่นแหละทำบาปบ้างทาบุญบ้างเวลาทำบุญนะ่ะมันน้อยที่สุดเวลาทำบาปมากที่สุดแล้วที่เนี่ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยา่างเมยก็อยากได้บุญ ยังได้ความสุขมากเพราะว่ามันเป็นไปตามกรรมที่คนเรากระทำทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผ ล, ผลทุกผลเดือดร้อนความชั่วนั่นนันแต่พระพุทธองค์หรือนักปฏิจจาวั้ถุท้งหลายท่านสั่งสอนไว้มนุษย์มันเขาไม่ทำตาม มันหาแก้มีกรอนแก่ขึ้นมามีข้อแก้ตัวว่าคนทําชั่วเสียหายท่อโกงลักขโมยมีความสุขมากดาดเดินไปกินมากโกงมากก็มีความสุขต้เห็นไปอย่างนั้น มันไม่โกงความจริงความจริงนั้นมันคือว่าทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปเหยีบไฟก็ร้อนตีนไม่ไฟไม่ตีนหามน้ำก็เย็นกายเย็นใจมองก็ไม่เห็นแต่ไปเห็นว่าเหยียบไฟไม่เห็นคงไม่ร้อน แต่ไฟคงเป็นไฟอยู่อย่างนั้นแหละใครเผลอเข้าไปไปเหยียบเ ข, าข้า็ล่องออกมาหรือว่าขวากน้ำเศษแก้วมันเป็นของคมใครไม่ระมัดระวังมันก็น่ะปากเท่าปากตีนเอา บางคราวเดินบินทะบาดโดยเฉพาะคือในเมืองเศษต่างๆมันตกออกมาจากตลาดลาดลีล้านค้าล้านขายเรียกว่ามองไม่เห็นแต่มันเข้าไปในหนังเท่าหนังตีนกันกลับมาวัดไม่บ่งบ่งไม่ทันถอนออกไม่ทันกับเกิดบวมขึ้นมา บางอย่างบางประการไปเหยียบตะปูที่เป็นสนิมเข้าเกิดบาดทะยักตายไปเอาไม่ทันก็มีประมาทไม่ได้ฉะนั้นพุทธโธให้มาอยู่ที่ใจทำโมสังโฆให้มาอยู่ที่จิตที่ใจไม่ให้มันพุ่งซ่านไปที่อื่นทามันกว้างออกไปแล้วก็รักษาไม่ได้ ถ้ารวมเข้ามามันรักษาได้ทวนกระแสเข้ามามันออกไปจากไหนก็ออกไปจากกายวาจาจิตของเรานั่นแหละเมื่อมันออกไปแล้วเราก็เข้าใจว่ามันแล้วไปกับลมกับแรงไปเวลาผลกรรมอันนั้นมันย้อนมานะบางคนก็ว่ากรรมอย่างนี้ครับพระเจ้าไม่ได้ทำ ทำไมจึงมาทำาไมข้าพเจ้าเดือดร้อนอคือตัวเองทำแล้วมันก็มันนานเข้ามันก็ลืมแต่ว่ากรรมที่ทำมันไม่ได้ลืมเหมือนคนคนลืมได้แต่ว่ากรรมที่ทำมันซื่อรรสัตย์สดชืิตทำบุญบุญมันก็คลายๆายว่ามัน สะสมไว้เมื่อได้โอกาสบุญก็ให้ผลเมื่อบุญไม่ให้ผลบาปมันก็ให้ผลเพราะคนเราทําแล้วมันเชื่อสัตย์ที่สุดพระองค์ท่านจึงตรัสว่าบาปอย่าพากันทําอย่าพากันโพดอย่าพากันคิดเมื่อมันภายหลังมามันมันเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ร้อนคนอื่น แต่ว่าบางอย่างบางประการมันกันร้อนถึงคนอื่นถึงทั่วไปหมดจงภาวนาระงับจิตใจให้มันสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่จนมีปัญญาแก้ไขกิเลสในใจของตนได้เมื่อผู้ใดแก้ไขกิเลสในใจของตนได้ทุกขณะทุกเวลา ความเดือดร้อนก็ไม่มีมีแต่ความสุขกายสบายใจเห้นั้นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญเนีย่ยไปเชื่อไปหลงตามมานกิเลสมานกิเลสมันหลอกลวงอยู่ตลอดการ ถ้าใครไม่รอบโลใครไม่ภาวนาจริงๆนะมันกลับดีเป็นชั่วกลับชั่วเป็นดีได้ความเห็นมันพลิกแพงไปมาเสมอเพราะในจิตมันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิฉหนนั้นในตังอกตังใจอย่าไปมัวเลิดเพลินตามอารมณ์กิเลส ข, ของตัวเอง ลงท้ายปลายสุดมันจะต้องทุกข์ทำกรรมดียอมได้รับผลดีทำกรรมชั่วยอมได้รับผลชั่วที่เราว่ามันมไม่มาได้มันมันเป็นไปได้แต่ถ้าคนไม่ภาวานาผู้ไม่ตั้งใจภาวานาก็ไม่เชื่อผลบาสมักจะเห็นว่าทำแล้วมันก็แล้วไป สัตว์อื่นมันตายไปแล้วมันก็ไม่ลุกขึ้นมาต่อโซ่อย่างไรคิดเอาง่ายง่ายแต่ว่าผลกรรมที่ทําแล้วมันมาอยู่ในตัวในใจใครทํำบาปหนักหนักขึ้นไว้แล้วบาปอันนั้นมาอยู่ที่ตัวนะ่ะจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็กรรมที่ตนทํามันแสดง ให้ผู้อื่นเพื่อนมนุษย์เกิดความเกลียดความชังไม่ไว้ใจไม่พอใจแล้วมันก็ย้อนเข้ามาแล้วมันีแล้วเพราะตามแท่ น, นี้คระเจ้าไม่ได้ทำกรรมใดไม่ได้ทำไว้คำว่ากรรมะการกระทำ แต่ภาษามนุษย์มักจะใช้ว่าถ้าทำกรรมหมายถึงว่าทำบาปแต่ในส่วนรวงทันว่าบนก็เป็นกรรมกุศลกรรมบาปก็เป็นอกุศลกรรมกรรมะการกระทาสิ่งที่ทำด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมเดก็ก็กายทำชั่วก็กายทำ กายวาจาจิตมันก็ะทำตัวกันนั่นแหละแต่ว่าทำแล้วก็ปฏิเสธว่าตัวไม่ได้ทำคนอื่นหาเรื่องหาลาวใส่ให้ไม่เมมันตัวเองนั่นแหละทำะนั้นพุทโธพุทโธในใจ ไม่ใส่เพียงแต่ว่าจำว่าพุโทโธอย่างเดียวพุท ธ, ธะหมายถึงจิตรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรนำทุกมาให้นำสุขมาให้ต้องเพ่งแรงให้มันเห็นในจิตเมื่อเห็นในจิตเชื่อแน่ในจิตในใจว่าอันนี้เป็นกรรมดีเป็นกุศลกรรม ก็ให้เรียบธรรอย่าไปรอช้าให้สําเร็จรูปแล้วกุศลกรรมนั้นมันก็กลับเข้ามาอยู่ในตัวในใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อใครทําบาปบาปมันก็เข้ามาอยู่ในใจนั้นทําบุญบุญก็เข้าอยู่ในใจนั้นฉันั้นผู้ปฏิบัติภาวนา จงนึกน้องภาวนาอยู่ในตัวในใจตลอดเวลาประมาทไม่ได้เวลาประมาทภาพพังไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้เหมือนเราเดินไปไม่ละมัดระวังพัดตกหกล้มไปในซอกในเหียวในโพเขาจะต้งตายแล้ว แต่ว่าทางไม่ดีก็ไม่ใช่มันเราไม่ดีตั้งหากเราเดินไม่ดีเหมือนบางครั้งบางคราวนะเวลาเรานั่งแล้วก็เพลินไปเวลาจะลุกไปก็ไม่ได้โดูไม้ขวางอยู่บนชีษะก็ไม่เห็นลุกขึ้นแล้วก็ชีษาไปโดนไม้ ปั่งใจล่ะทั้งหลังก่อนกลับลงมานั่งใหม่มาโลภศีรษะตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เราเจอลกกระโดสซะก่อนว่าข้างบนมันมีอะไรข้างซ้ายข้างขวาที่เราจะไปนะ่ะมันมีอะไรรอบด้านนั้นบ่ได้ดูจิตมันงุ่งไปโน้นบ่อนจะไปไกลๆนู้น ฉะนั้นพุโทโธพุธโทโธทันว่านึกอยู่ในใจเจริญอยู่ในใจเราจะต้องตามโลตามเห็นตัวกิเลสราคะมันเป็นตัวอย่างไรตัวกิเลสโทสะมันเป็นตัวอย่างไรตัวกิเลสโงหะมันเป็นตัวอย่างไรมันก็ตัวเราตัวเขานี่เอง มันมีทั้งตัวมีทั้งตีนตีนกิเลสก็มีตัวกิเลสก็มีตากิเลสก็มีหูกิเลสมันก็มีมันอยู่มันอยู่ตัวเดียวกันนะแต่มันเปลี่ยนว่าละทํางานเท่านั้นแค่นั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา อย่าได้มีความท้อถอยเราลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งภาวนานา ล, ลึกถึงสาวกของพระพุทธเจ้ามีพระโมก ค, คันลาสารีบุตรเป็นต้นเอามาเตือนจิตเตือนใจของเราว่าท่านเหล่านั้นทำไมททำได้ปฏิบัติได้ ท่านก็มีหัวใจคลองอยู่ในร่างกายสังขารเหมือนพวกเราทั้งหลายแต่ท่านทําดีได้เราทําดีไม่ค่อยได้มักจะไปทําชั่วเสมอคิดชั่วเสมอต้องแก้ไขใจของเราไม่ต้องไปแก้คนอื่นแก้คนอื่นไม่ถูกแก้เราแก้ตัวเราจะยืนเดินไปมาที่ไหนก็ สังบอลเราหวังให้โยกับศีลสมาธิปัญญาให้โยกับทานการกุศลในจิตใจของเราทุกเวลาแล้วจิตมันก็งอกงามขึ้นมาในทางที่ดีในทางที่ดีในทางที่ชอบจะประกอบสิ่งใดๆก็ เป็นไปตามธรรมนองของธรรมดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาะนิสพิติโยวิวัตฉันโตสพพะโลโควินาศโตมาเตภวัตตวันตระโย ο. โซเคเทคาโยโกภวะอภิวาทนานาด้วยสนิจังมุทธตธาปัญจจิโนจัตตารธัรมาวะชันติอายุวันโนสุขังภาลัง